คนนิยมมาเยอะทุกวันดีแล้วนะศา ส, สนาไม่ใช่ของพระนะศา ส, สนาเป็นของทุกคนแหละถ้าเราไม่ศึกษาแล้วก็หน่อยก็หายไปน่าเสียดายถ้าจะหายไปมันมีประโยชน์มากเลยหลขงอเรียนวิชาทางโลกก็ไม่น้อยนะรู้เลยวิชาอะไรๆมันก็ไม่ช่วยเราให้พ้นทุกได้เหมือนศาสนานี่แหละเหมือนธรรมะล้วเข้าใจแล้วมีความสุขที่สุดเลย อย่างเราเรียนวิชาทางอื่นนะก็หวังอยาหาความสุขนะแต่หาอ้อมอ้นะคนศึกษาเพจะหางานดีๆทํำกะว่ามีงานดีๆแล้วจะมีความสุขเนะี่ยมีชื่อเสียงมีตําแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขที่จริงต้องการความสุขนะแต่หาอ้อมอ้อมอคิดว่าถ้ามีอย่างโน้นจะสุขอยากมีอย่างนี้จะสุขจริงศาสนาพุทธสอนเราให้เรามีความสุขได้กับตัวเองนะอยู่ในปัจจุบันนั้นะมีความสุขที่สุดเลย มีศา ส, สนาก็ไม่ใช่ของพระคนเดียวนะของพวกเราทุกคนการจะรักษาศาสนาไว้ไม่ใช่รักษาตำราหรือรักษาอะไรอย่างเดียวหรอกต้องเอาธรรมะมาอยู่ในใจเราให้ได้ไม่มีอะไรที่เหมาะกับการเก็บธรรมะเท่าใจพวกเราเองต้องเปิดใจออกมารับธรรมะให้ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไร ้แต่เกิดจนตายตายแล้วตายอีกนะธรรมะก็ไม่ได้หนีไปจากเรานี่เราเที่ ย, ยวแสวงหาธรรมะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกาหาไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่เจอนี่จริงธ ร, รรมะอยู่ที่ตัวเเองธรรมะอยู่ที่กายก็กายเป็นธรรมะเรียกว่ารูปปรรตมธรรมะอยู่ที่จิตใจจิตใจเราเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมนี่หาธรรมะก็หาเข้ามาที่กายที่ใจตัวเองนี่พอเข้าใจกายเข้าใจใจตัวเองแจ่มแจ้ง จะรู้เลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บางสุขบ้า ง, างถ้าเรารู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะเห็นแจ้งตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ไม่ติดปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตจะเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนจิตใจมันไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงอีกต่อไปคงสภาพ สบายนะมีความสงบสุขนี่ทําไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจเราได้บ่อยๆเราก็ต้องให้มีสติสติเป็นเครื่องมือรู้กายรู้ใจนี่งั้นถ้ามาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยจะเห็นว่าหลวงพ่อจะสอนบนไปบนมานะสอนเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสติอะไรเงี้ยเรื่องเหตุที่ทําให้สติเกิดขึ้น เรารู้จักเกตให้ทําสติเกิดได้นะสติเกิดบ่อยๆเกิดเองโดยไม่ต้องเชื้อเชิญให้เกิดเกิดเองเราก็รู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าก็เห็นความจริงของกายของใจสติเป็นตัวไปรู้สภาวะนะรู้กายรู้ใจใกายกับใจเป็นตัวสภาวะธรรมเป็นตัวเนื้อของตัวธรรมะเป็นของจริงสติรู้กายรู้ใจปัญญาเข้าใจปัญญานี่จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ อาศัยสติปัญญานี่แหละช่วยเราเรียนรู้กายรู้ใจไปจนรู้จริงรู้จริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราวางได้มีมุตต์ว่าเกิดขึ้นปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนั่นเองจริงๆธรรมะ ม, มีเท่านี้เองหลักๆคืออริยสัจนั่นเน่ง อริยสัจเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดมีแต่พระอราหารันต์ถึงจะเห็นอริยสัจเห็นแจ้งอริยสัจเป็นธรรมะที่อัศจรรย์อย่างพวกเราหลวงพ่อตอนเด็กๆ เ, เรียนวิชาศิลธรรมสมยัยโบราณมีนะวิชาศีลธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีวิชานี้มั้งวิชาศีลธรรมสอนนะอริยสัจสี่เรียนตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยท่องได้จำเอาไว้นะไปตอบได้ ไนึกว่าเรารู้นะธรรมะมันก็รู้เหมือนเด็กนะ่รู้แบบจำจำไหมฉันบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอยากได้แล้วไม่ได้เป็นทุกข์หนึ่งเจอสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยโดยย่อโดยสรุปขันห้าเป็นทุกข์ตรงนี้ตอนเด็กๆไม่เรียนนะไม่มีการเรียนโดยย่อว่าโดยย่อโดยสรุปขันห้าคือตสวดทุกข์อันนี้ไม่ได้ให้เด็กเรียน ก็ แ, แค่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์รัดพา ก, กับสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจเป็นทุกข์อนนี้ทุกข์อย่างเด็กๆนะทุกข์อย่างเด็กๆที่รู้จักตอนโตแล้วไปบวชตอนเป็นนักศึกษาเคยไปบวชทีหนึ่งที่วัดชนประธานท่านสวดมนต์แปลกกันท่านบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ฟังอย่างนี้นะก็ยังไม่เข้าใจหรอก ก, ก็นึกว่าเข้าใจนะ เราขันห้าเป็นทุกข์เราก็รู้สึกเราเข th ้าใจธรรมะแต่มาทบทวนทีหลังนะรู้สึกไหมมีใก่บ้างรู้สึกบ้างว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ไม่มีหรอกเรารู้สึกได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างขนาดเรารู้ไม่ตรงคําสอนพระพุทธเจ้านะท่านว่าขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์เรารู้สึกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ใช่เป็นทุกข์ล้วน เราก็ยังนึกว่าเราเข้าใจธรรมะนะนึกว่าเข้าใจปฏิบัติไปนานหลายปีฝึกไปเรื่อยๆใจลึกๆมันก็จะรู้สึกอยู่ตลอดเราไม่เข้าใจอริยสัจสัจใดที่ใจยังไม่เข้าใจอริยสัจใจจะค้นคว้าดิ้นรนไม่เลิกหรอกนจะค้นคว้าหาทางคนทุกไปเรื่อยๆเป็นมันแจ่มแจ้งอริยสัจขันห้าเป็นทุกข์อัศจรรย์ที่สุดเลยทำไมเรียน แค่ว่าขันห้าเป็นทุกข์แล้วมันพ้นทุกข์ได้พราเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันคืนมันสลัดคืนขันห้าให้กับโลกไป ม, มันไม่ยึดถือขันห้าไว้พอไม่ไม่คิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราในความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ก็จะหายไปเองจิตใจไม่ดิ้นรนแล้วคราวนี้จิตใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง สันติสุขก็คือนิพพานนั่นเองคือนิโรธการที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละสมุธายละตัณหาได้จิตใจหมดความดิ้นรนเข้าถึงสันติสุขที่เรียกว่านิโรธนิพพานไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคนพบทางคนทุกข์อย่างนี้ได้ยังไงอัศจรรย์ที่สุดเลยคนในโลกไม่คนพบทางนี้นะเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆ คนคิดว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขได้งานดีๆจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีเงินเยอะๆมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีเมียสวยๆจะมีความสุขมีลูกไร้จะมีความสุขจนแก่แล้วมันไหนสุขภาพดีจะมีความสุขไม่สบายเจ็บหนักใกล้จะตายทุรนทุรายถ้าตายเสได้คงยังมีความสุขดูหาความสุขกันตลอดเลยนะแล้วหาไม่เจอ พระพุทธเจ้ากับค้นพบทางอันนี้ให้เรามารู้กายรู้ใจตัวเองถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมันเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเรารู้จักแต่ความสุขที่อาศัยของข้างนอกลอดส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่ความสุขที่อาศัยของข้างนอกนะส่วนบางคนเข้าวัดหัดภาวนาทําสมถะ มีความสุขด้วยตัวเองได้เป็นความสุขจากการควบคุมจิตใจของตัวเองได้แต่ควบคุมได้ก็ชั่วคราวเข้าฌานได้ทำสมาธิได้ก็มีความสุขอยู่ชั่วเวลาที่เข้าฌานอยู่ออกมาก็ความสุขนั้นหายไปอีกละความสุขอัอนนี้เลยยังไม่ยั่งยืนไม่เหมือนการทำวิปัสสนาจนรู้ความจริงของกายของใจปล่อยวางได้จิตใจเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืนหาอะไรมีความสุขเท่านี้ไม่มี ความสุข อ, อย่างโลกโรหลวงพ่อก็ผ่านมาเยอะะผ่านมาเยอะความสุขทางธรรมก็ตะเกียกตะกายนะลำบากล้มลุกลุกคลานกว่าจะเข้าใจอะไรแต่ละฟั้งแต่ละฟั้งนะหลวงพ่อโง่นะไม่ฉลาดได้ดอก <_ d od ic> อาศัยลูกอึดเนี่ยทนทนไหมค้นคว้าไม่เลิก <_ d ic 1> เรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะกัดติดไม่ปล่อยตั้งแต่ไปเจอหลวงปู่ ด, ดูนั่นสอนให้ดูจิตตัวเองไม่เคยเลิกดูเลย ดูทุกวันเลยตั้งแต่ตื่นเลยไม่มีใครสั่งให้ดูเลยนะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์แล้วต้องดูตามที่ท่านสั่งไม่ใช่เลยมันสนใจที่จะดูรู้สึกสนุกที่จะดูนะใครเรียนรู้ไปลองผิดลองถูกกับจิตใจของเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันมีความสุขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่นะก็ที่งโดนไปอีกค้นป้าสแสวงหาไปเรื่อยลองผิดลองถูกล้มลุกพลุกคลาน กว่าจะสบายได้แต่ละคนล้มลกทุกขานทุกคนหน่นะไม่มีหรอกอยู่อลอยฟ้ามาสบายไม่มีนะธรรมะต้องทำอาอกนะต้องแรกเอาลาบากถ้าไม่รู้หลักก็ลาบากมากถ้ารู้หลักก็สบายหน่อยอย่างพระพุทธเจ้าลาบากนานเสียสงไขแสนมหากรรมันไม่มีใครสอนของเรา ถ้าฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีศึกษาให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เหนื่อยเท่าท่านละเราง่ายให้เราไปเหนื่อยอย่างท่านเราก็ไม่เอารู้สึกบางคนรู้สึกนะไม่เห็นจะต้องภาวนาอยู่กับโลกก็สบายดีนะมีทุกข์ก็แก้ไปคราวๆหนึ่งใครๆเขาก็อยู่กับโลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้ธรรมดาพอใจแค่นี้ละไม่คิด จ, จะดิ้นรนต่อไป บางคนต้องการความสุขที่จีรั ง, ย, งยั่งยืนนะศึกษาธรรมะลงมือปฏิบตัติล้มลุกลุกคลานลองผิดลองถูกนะถ้าไม่ศึกษาให้ดีก็ลองผิดไปเยอะหน่อยบางคนผิดแล้วแก้ตัวไม่ทันชาตินี้แก้ตัวไม่ทันก็มีหลวาพ่อเเจอนะตอนตั้งวัดใหม่ๆมีคุณป้าคนหนึ่งต้องเรียกคุณยายนะอายุแปดสิบเจ็ดคุณยายนี่ทาสมาธิมัหลายสิบปีหกสิบกว่าปี จิตนิ่งอยู่ตลอดเลยเกมาบนมา่นว่าเกไม่เห็นมันมีปัญญาเลยทําไงจะเกิดปัญญามันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหรือบางคนภาวนานะภาวนาไปจนเคล็ดขัดยอกไปทั้งตัวน่วมไปทั้งตัวลําบากบางคนภาวนาจนบ้าเียนตาลอยไปเลยนะฝึกกันแปลกๆนะบางคนอย่างฝึกแปลงปันบางคน แปลงเนี่ยกว่าจะเสร็จนะตัง้งแต่เช้าตัง้งแต่เช้าเ ล, เลยเที่ยงนะะแปลงปันเสร็จลำบากนะลำบากมากเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาแถ้าเราจะง่ายนี่ธรรมะก็มีเยอะอีกจะศึกษาอะไรอยากเรียนยอ่อๆก็เรียนลงมาที่กายกับใจตัวเองเรียนยอ่อๆเลยนะอยากเรียนให้เยอะๆก็ไปเรียนสัพพิธรรมให้จบเก้านะปริเชตเรียนจบแล้วก็ เ, ออเข้าใจธรรมะเยอะเลย ยังไม่เห็นสภา ว, วะนะต้องกลับมาหัดมารู้กายรู้ใจใหม่ก็ดีเหมือนกันรักษาศาสนาไว้ในภาคทฤษฎีอ่ะวันนี้ใครจะส่งกันบ้านอ่ะแม่เมย์ส่งก่อนนั่งหน้าสองวันนี้ให้เห็นด้วยตัวเองว่าสุขสุขที่แท้จริง <c oughs> อะไรนะสุขที่แท้จริงอ๋อความสุขที่แท้จริงไม่มี <c oughs> อืาะนั้นม well ันก็จะมีพวกมั่งุดมั <h <h ่งตลอดมาเป็นแค่สองสาวันนี้ในขณะที่กำลังดูความีู้สวตลอดเวลาที่ภา้นาก็เป็นความรู้ตัวที่มหัศจารแล้วก็เป็นสุขที่ไม่มีขอบเขตสุดมากแต่ในขณะที่กำลังดูอยู่เนี่ยมันเกิดแท่งพอแท่งก็เลยคิดว่านั่นก็เอาจิตไปดูก็ แต่ก็เกิดความคิดว่าในความสุขที่ไม่มีขอบเขตเปิดเที่สุก็ยังเพราะนั้นตอนนี้ก็ได้เห็นใว้ตัยเองนะว่าไม่มีใครเออไม่มีความสุขนะรับใดที่ยังเป็นโลกอยู่รับใดยังเป็นสังขารอยู่นะไม่มีความสุขที่แท้จริงนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่ความสุขที่แท้จริงมีอยู่นะมีอยู่ ถ้าเราจิตเรารู้จริงนะร่ายนี้ใจนี้ทุกรวนร้วนรู้อย่างทราบตึงถึงใจไม่ใช่น้อมใจเชื่อด้วยนะรู้อย่างเข้าไปเป็ดจักจริงๆแล้วใจวางวางแล้วเราจะไปพบความสุขที่แท้จริง ม, มีคือนิพพานนั่นเองนิพพานเป็นความสุขที่แท้จริงอันเดียวเลยอันอื่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกเป็นของรวงตาภาพดวงตา งั้น <Français. S 2> ให้เรารู้ลงมาที่กายที่ใจนี้นะเพราะว่าเราไปยึดถือกายยึดถือใจเราไปติดอยู่ที่กายที่ใจเราไปติดอยู่ที่ของปรุงแต่งอ่ะเราก็เลยไม่เห็นนิพพานซึ่งไม่ปรุงแต่งะงั้นให้รู้ลงไปเรื่อยๆนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์รู้ไปเรื่อยๆรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะแม่เมย์อย่าไปเข้าไปคลุกกับมันะใจของเราไม่เป็นกลางรู้สึกไหม <Okey. S 2> ใจของเราไม่เป็นกลางนะต้องรู้ด้วยใจที่เป็นกลางแล้วมันถึงจะหลุดออกไปได้ ถูกแต่ว่าอย่าให้ใจเข้าไปเกาะความทุกข์ไว้เราดูอยู่ห่างๆนะดูกายดูใจเหมือนดูคนอื่นนะอ๋อมันทุกข์ล้วนๆแต่เราไม่ได้ทุกข์ด้วยนะเอมันทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอเป็นเห็นแจ้งแล้วมันจะปล่อยวางความจริงไอ้คทุกข์จริงๆก็ไม่ไดเห็นแต่เห็นได้จากปฏิบัติเท่านี้นะถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นทุกข์หรอกนะ ไม่ปฏิบัติไม่เห็นทุกข์นะยากที่สุดเลยการเห็นทุกข์เห็นทุกข์นี่แหละคือเห็นธรรมดูไปด้วยใจเป็นกลางใจยังไม่เป็นกลางนะสังเกตไม่ใจยังกระสับกระส่ายให้รู้ทันไปเรื่อยๆนะ อ, อ้าวหลวงพ่ออะไรนะเรืบ่อยเรือบ่อยประคองปเปล่า นตอนนี้ประครองไหมเออตอนนี้ปะคองไว้นะรนนู้ทันหลังๆี่ใหญ่กันได้สมาธิมังนง ไ, ได้นั่งไม่ได้ก็เดินเอาก็เดินเดิ น, <ม>นรแรงคว่าสมาธิของอ้อคืออะไรคือจอะไดหนึ่งยอย่างนั้นพักเหลือพักก็คือสมาธิเนี่ยถ้าต้องการพักผ่อนนะใหญ่อ ย, อยากสงบถ้าอยากสงบยังไม่สงบหรอกนี่เป็นเคล็ดลับนะ ถ้าเราหายใจเล่นๆแปบ๊บเดียวสงบแต่ถ้าเราหายใจแล้วเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะสงบสักทีจะไม่สงบหรอกนะจิตใจไม่สบายต้องสบายนะถึงจะสงบเออมันเหนื่อยทำไมนั่งไม่ได้มันเป็นยังไง คือการที่เราจะพักเนี่ยนะก้อนหนึ่งเราทําสมาธิส่วนเรื่องสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่ทุกอิริยาบถจะทําสมาธิหรือไม่ทําสมาธิก็ต้องมีสมาธิพลอ่านกันนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่สมาธิก็เกิดเมืนั้นแต่ถ้าใจเราไม่สงบใจเราฟุ้งต้านอยากให้สงบน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเราน้อมไปด้วยความอยากอยสงบ ใ, ใจจะดิ้นไปดิ้นมาไม่สงบง่เคล็ดลับก็คือ ทำกรรมาฐานอันหนึ่งปกติใจเราชอบหนีผิดเที่ยวดิ้นไปดิ้นมาจับอารมณ์น้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งนะอยากจะให้มันสงบก็ไม่จับอารมณ์มันเดียวนะเช่นมาจับพุทโธพุทโธมาดูลมหายใจมาดูท้องฟอ ง, องยุบนะมาขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้ให้ใจน้อมไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวน้อมไปแล้วก็อย่าอยากให้สงบนะถ้าอยากให้สงบมีความอยากเกิดขึ้นจิตใจเล่าร้อน จิตใจที่เราร้อนไม่สงบสุขจะทําความสงบขึ้นมาไม่ได้เพราะสมาธิเกิดจากความสุขอย่างบางคนมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือนะก็จะอ่านได้ทั้งคืนเลยมีสมาธิในการอ่านมีความสุขในการเล่นไพ่เล่นไพ่ได้ทั้งคืนเลยตารวจมาก็ไม่รู้นะนั่นความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพรฉะนั้นถ้าใจเราไม่มีความสุขนะเราอยากให้เกิดสมาธิไม่เกิดหรอก นั้นขั้นแรกเลยนะทําตัวให้ผ่อนคลายก่อนส่วนมันยุ่งกับโลกมากเลยไม่ยอมสงบฟุ้งเต็มที่นะก็หากิจกรรมอะไรที่เป็นกุศลนำมาทำํำยังไม่ต้องเป็นนั่งทีเดียวนั่งไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นเราไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะบางวัดก็มีวังมัดฉาอะไรเงี้ยไปซื้ออาหารให้ปลากินปลามักินแล้วก็มีความสุขเนี่ยมีความสุขแเราทำสมาธิง่าย อ, อ, อย่างนั้นอ่าแล้วมีความสุขเวนะ้ยแล้วพอมีความสุขมันก็สงบนะบางคนยังคิดว่าสมาธิทําให้เกิดความสุขไม่ใช่นะความสุขทําให้เกิดสมาธิเพราะว่าสมาธิพอมากเข้ามากเข้ามัเลยสุขไปอีกสมาธิทําให้เกิดปัญญาสมาธิไม่ได้เกิดทําให้เกิดความสุขไม่เมยใจลอยทราบไหมอากสงกันบ้านไหม อะไรนะจิตตอนนี้เป็นยังไงจิตขนาดนี้อ้าปากของไปได้รู้ทันดีแล้วอะนี่ล่ะอย่าไปแก้มันนะประคองเราก็รู้ว่าประคองดูไปดูมันดูผนื่นปกครองแล้วใจสบายถ้าใจสบายมันก็จะหลุดจากการประคองนะง่ายเออตับถูกนะตับถูกทนะั้งสองอย่างเลยมัวมั ว, มวแล้วตื่นเต้นดีแล้็ดีแล้ ว, ล ว, ลวที่รู้ ก็อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปนะใจฟุ้งซ่านเกินไปนิดนึงดวออกไหมนะให้ดูลงไปคือสภาวะของจิตใจแต่ละคนเป็นยังไงหลวงพ่อไม่ว่านะจิตใจจะฟุ้งซ่านก็ได้จิตใจจะหดหู่ก็ได้จิตใจจะมัวมัวก็ได้ไม่ว่าเลยถ้าขับเดี่ยวขอให้รู้เท่านั้นแหละจิตเป็นอากรุศนรั่วเป็นอากรุน่นเท่านี้ก็ดีแล้วในสุดก็จะเห็นเลยจิตที่เป็นอากรุน่นเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่เป็นกรุน่นเกิดแล้วก็ดับ จิตทุกชนิดเกิดระดับหมดเลยในท่สุก็จะรู้ความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างบังคับไม่ได้ปัญญามันเกิดใจมันฟุ้งซ่านนะดูไปให้รู้ทันมันโยเป็นไงโยโเ อ, อมีโมหนะเนาะสมพงมาไหมวันนี้สมพงมมนนไปปลักของแล้วโยของคุณอะ หลงคิดนะเกิดทั้งวันถ้าคุณรู้หลงคิดเนี่ยคุณดูได้ทั้งวันนะเพราะเพราะหลงคิดเนี่เป็นหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือจิตใจของเราเนี่ยนะโดยสภาพปกติของจิตใจของคนทั่วทั่วไปเนี่ยจิตส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลจริงๆมีสติขึ้นมาจริงๆมีน้อยมากเลยดังนั้นคนส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปอาบายพระพุทธเจ้าบอกนะไม่ใช่หลวงพ่อบอกนี่จิตส่วนใหญ่ที่เป็นอกุศลอกุศลที่เกิดบ่อยคือโมหะ ความหลงหลงมีหกแบบนะหลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงที่มีมากที่สุดคือหลงทางใจหลงทางใจที่มากที่สุดเลยก็คือเป็นหลงคิดนี่เพราั้นถ้าหากใจเราไหลไปคิดคุณรู้ทันใจไหลไปคิดคุณรู้ทันนะคุณทํากรรมฐานได้แทบทั้งวันนะหลงไปทางตาหลงไปทางหูเนี่ยเล็กน้อยชั่วขณะเดียวอย่างเราไปเม่อเม่อมองใครสักคนนะเราเหลอไปดูเขาปุ๊บเราเห็นหน้าเขาแวบเดียวนี่ นะขนาดนั้นเราไปไปดูเขาถัดจากนั้นเราจะเริ่มคิดล่ะจะไปหลงคิดเรื่องของเขาบ้างเรื่องอื่นๆบ้างเช่นเห็นหน้าคนนี้คล้ายๆเพื่อนเราคนหนึ่งแล้วคิดถึงเพื่อนน้นงั้นถ้าเรารู้ทันว่าใจหลงไปคิดแล้วใจจะตื่นขึ้นมาห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามดูออกไหมห้ามไม่ได้ดูออกไหมใจมใทำงานง ท, งทั้งวันอ อ, อย่าออกสิรู้อย่างที่มันเป็นะ แต่ตรงนี้ฝึกยากนะฝึกยากปกติพอจิตของเราไปติดไปคล้องอะไรเราจะดิ้นเราอยากหลุดใจเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรู้สภาวะทุกอย่างอย่างที่มันเป็นกระทั่งใจที่เข้าไปติดนะเข้าไปเกาะอารมณ์ไม่สบายเลยหรือ ใ, ใจกําลังเผลอๆใจไม่ตั้งมั่นไหลๆยอยู่นิดๆเรามองเห็นเงี้ยเราจะอยากให้ตั้งมั่นแต่ถ้าจริงๆถ้าเรารู้อย่างที่เขาเป็นใจจะตั้งมั่นขึ้นอันตโนมัติเลยเพราะงั้นไม่ต้องพยายาม ทำให้รู้สึกตัวนะไม่ต้องพยายามไม่ให้คิดไม่ต้องพยายามไม่ให้เข้าไปแช่ดินหล่นรู้ไหม ด, ดีดีรู้ไปนะทุกให้เข็ดนะทุกไปดิ้นทีไร ท, ทุกทุกทีดูเขีแลขดีละเนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรลึกลับนะคนที่มาใหม่ๆจะงงๆที่จริงหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเท่านั้นเอง ถ้าหากเราสามารถรู้สภาวะที่กําลังปรากฏในปัจจุบันได้นะก็คือเราทําวิปัสสนาได้เราก็มีสติรู้สภาวะที่กําลังเกิดรู้ไปเรื่อยในสุดปัญญามันเกิดนะเห็นเลยสภาวะทุกอย่างไม่เที่ยงหรอกสภาวะทุกอย่างบังคับมันไม่ได้หรอกเริ่มมองออกไหมเปลี่ยนตลอดเวลาบังคับไม่ได้อยากอยากหลุดออกมามก็ไม่ยอมหลุดทําไงก็ไม่ได้ดูไปเรื่อยดูจนใจยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงใจจะเลิกดิน้น พอใจเริ่มตื่นมนก็หลุดหมดเลยเาเวลามองามิมันจะมันออกเป็นตัวนะมองานแ่อเพ่งเข้าไปเข้ามันก็กลายเป็นกลายเป็นคอย่าไปจงใจเพ่งใส่มันทีแรกความคิดเนี่ยมันมีกระบวนการเกิดของมันนะทีแรกมันมีคลื่นขึ้นมา ก, ก่อนมีคลื่นไหวขึ้นมานะเสร็จแล้วสัญญาเข้าไปกระทบถึงจะแปลอมาเป็นคาพูดได้แต่ได้คิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรไปหมายลงไปก่อน แต่ถ้าสติเราไวเราเห็นไหวแวบขึ้นมาดับวัดขึ้นดับไม่รู้ว่าคืออะไรอไม่รู้ว่ามันปรุงอะไรไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรไม่รู้ว่ากูศอนเลื่องกูศอนด้วยซ้ําไปไม่กูศอเรื่องกูศอนนะมันก็ผุดขึ้นมาอย่างเดียวกันนี่ผุดขึ้นมาแวบขึ้นมาถ้ารู้ทันก็ดับไปรู้ไม่ทันก็ปรุงยาวขึ้นมาแต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ปรุงนะฝึกเพื่อให้เห็นเลยจิตจะปรุงห้ามมันไม่ได้จิตจะปรุงกูศอนเรื่องกูศอเลือกไม่ได้อีกนะ ยันสติก็ไม่ใช่ของที่สั่งให้เกิดได้เนี่ยจิตหนีไปแล้วทรับไหมนะให้คอยรู้สภาวะรู้ไปอาคุณนี่ล่ละเป็นไงบ้า ง, ง, างอ้าเกลงตับถูก เ, เ, เออใช่ได้ใช่ได้อยู่บ้านเป็นไหมออนี่เป็นโรคประจำบัดนี้ <c oughs> ใครมาวัดนี่ก็เกรงๆนะแล้วก็ยังทนมานะมานะานะเครียดจะตายไปโดนหลวงพ่อไล่ เครียดที่จริงมาเรียนกับหลวงพอ่อไม่ต้องกังวลใจให้รู้สภาวะที่กําลังปรากฏนะหัดรู้สภาวะเรียนเรื่องเดียวมไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นหรอกนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยในที่สุดมันจะเข้าใจะนะพอสติมัน ล, ลึกขึ้นมาเองนะพอเราหัดรู้สภาวะมากเข้ามากเข้าเนี่ยพอสภาวะเกิดเนี้ยสติจะเกิดเองพนะสติเกิดเองแล้วทานี้ต่อไปปัญญามันเกิดเชอรี่เชอรี่ เออกัวง่้นไม่ก่อนหยุดพักก่อน